ถามว่าเขาบอกว่าไายอธิษฐานก่อนถวายสังฆทานบังเอิญลูกโชคร้ายอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยไม่รู้จะพูดว่ายังไงถือทื่อๆมาถวายหลวงพ่อเฉยๆแต่หลวงพ่อเขาจะบอกก็รวยๆที่สงสัยก็คือว่ากล่าวคำอธิษฐานก่อนถวายกับไม่ได้อธิษฐานอานิสงส์จะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรฉันว่านคนนี้ทำถูกแล้วนะ อาอีกแล้วถูกอีกแล้วจริงๆไม่ใชจะยกย่องลูกศิษย์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่จะยกย่องลูกศิษย์ใหม่เขาทําถูกก็ต้องว่าถูกพระโอพระต้องโกงไปตรงมาบองทีโกงไปตรงมาคร <c oughs> ับน <c oughs> ั่นไหมกยอวานสด็ที่ฐานนะไม่รู้ใครทํ<อ>าำซึ่งมันไม่มีความจําเป็นโ อ, อ้อที่ฐานก็คือ น, น้กตั้งใจหยิบมาพับตั้งใจว่าขอผลบนนี้จึงสหมือนขับเจ้าไปไหนไปที่พานให้ชาติหน้าค่อยรวยชาติค่อยเข้านนึกแค่นี้ nên má vẫn để mà nó săn quả, lấy cả bay quả, bay quả dễ dễ để bữa nè non